นานาอาการของสมาธิคนทั้งหลายชอบพูดว่าสมาธิเบื้องต้นสมาธิเบื้องกลางสมาธิเบื้องปลายในเมื่อมันเป็นจริงตามธรรมชาติของสมาธิมันไม่มีต้นมีกลางมีปลายมันก็ไปของมันอย่างนั้นบางทีจิตไม่เคยสงบแต่มันมีสติรู้อยู่ที่จิต และมีความเอิบอิ่มอยู่ที่จิตตลอดเวลาแต่จิตสงบนิ่งลงไปสว่างรู้ตื่นเบิกบานมันไม่มีที่นี้สมาธิที่จิตสงบแล้วรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขอันนั้นมันเดินไปในทางฌานสมาบัติบางท่านก็บอกว่าจิตไม่เคยสงบสักทีพอกำหนดลงไปแล้วมันก็มีแต่ความคิดผุดขึ้นผุดขึ้นอยากจะให้มันสงบ นิ่งสว่างมันไม่เคยสว่างสักทีแบบเนี้ยก็มีบางคนก็นั่งสมาธิไม่เป็นแต่ว่ากำหนดสติรู้จิตอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็ได้ความรู้แปลกๆเกิดขึ้นมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงในทํานองนี้มันก็เป็นเรื่องของสมาธิทั้งนั้นส่วนใหญ่สมาธิที่มันลงไปลึกๆสว่างสวยัยมันแก้ปัญหาจิตไม่ค่อยตก แต่ที่มันอยู่ตื้นๆผิวเผินกับเรื่องชีวิตประจาวันแต่สติเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานี่จุดนี้ตังหากที่มันจะแก้ปัญหาจิตได้มีผู้มาเล่าว่าได้ฌานขั้นนั้นฌานขั้นนี้ยานขั้นนั้นยานขั้นนี้ก็เลยบอกเขาว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นยานขั้นไหนเมื่อจิตสงบแล้วขอให้มีสติรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิต เป็นการใช้ได้เมื่อมันเป็นไปกันจริงๆจิตมันก็ไม่ได้บอกว่าฉันอยู่ในฌานขั้นไหนสมาธิขั้นไหนที่ว่าสมาธิขั้นนั้นยานขั้นนี้มาพูดเอาต่อเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วในขณะที่จิตมันเป็นไปจริงๆมันไม่มีขั้นมีตอนอะไรหรอก